ว่าจิตที่ขาดการอบรมแล้วก็เป็นจิตที่ไม่ควรแก่การงานไม่ควรแก่การที่จะสร้างกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งต้องฝึกไว้บ้างในเรื่องงานนี้เป็นปริพ์อันหนึ่งต้องพยายามตัดความโกลวันไว้ท่านสาวผู้ช น, ท, นญญทั้งหลายการบรรยายวิสุทธิมรรคในวันอาทิตย์นี้จะมาจะบรรยายต่อจากเมื่ออาทิตย์ก่อน เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้เราได้ศึกษาถึงถึงวิธีการที่เราจะต้องทราบจะก่อนที่เราจะไปเจริญสมาธิอันเป็นการเตรียมตัวในเบื้องต้นที่ทางธรรมใช้คำว่าบุพกิก์คือกิจที่เราจะต้องกระทำก่อนปฏิบัติคือจะต้องเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างก่อนที่เราจะเข้าสู่หลักการปฏิบัติกรรมฐ า, าน หรือจเจริญสมาธิครั้งที่แล้วได้พูดเกี่ยวกับวิธีที่เราจะเตรียมตัวก่อนปฏิบัตินั้นเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไปแล้วและก็สัญญาว่าในวันอาทิตย์นี้จะนำถึงวิธีการจเจริญสมาธิที่เรียกว่าเพ่งกสินและตั้งใจว่าจะนำเอากระสินทั้งสิ้น วิธีที่เราจะทํากระสินทั้งสิงวิธีนั้นมาให้ท่านชมในวันนี้แต่ต้องขออภัยด้วยที่วันนี้ไม่สามารถที่จะนํามาได้เพราะว่าคิดว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนกลับไปจากที่นี่แล้วก็จะได้ไปลงมือปั้นดวงกะระสินวันรุ่งขึ้นก็ต้องเดินทางเข้าไปไร่เพราะว่า โครงการที่จะตั้งวิทยาลัยเกษตรในเนื้อที่ 4,000 กว่าไร่เพื่อเอาไปเลี้ยงวิทยาลัยถวายภิกษุ ส, สมณี น, น, นั้นตอนนี้สมาชิกเริ่มลงมือแล้วกําลังปราบที่แล้วก็กำลังตัดถนนด้วยความร่วมมือจากกรรมากลางก็ได้ส่งรถไปช่วยกันเมื่อเมื่อวันจันทร์ที่แล้วสมากจะต้องเข้าไปได้ ไปสั่งงานแล้วก็ไปดูงานซึ่งตั้งใจว่าจะไปวางถังที่ที่จะทำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ไว้บนยอดเขาเพื่อที่จะได้จ่ายน้ำลงไปได้บ้างไปวางถังที่จะวางตัวอาคารขอพักบ้างซึ่งจะทำให้เสียเวลาไปหลายวันไปวิทยาลัยก็ต้องไปเร่งงานที่วิทยาลัยอีกเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึง วันเปิดตึกวิทยาลัยแล้วโดยเฉพาะในงานกระถินนี้ท่านสาวธุชนก็จะเดินทางไปร่วมทอดกระถินและประปากันมากอยู่ก็ตั้งใจว่าจะเร่งงานสึกหลังใหญ่ให้เสร็จเรียบร้อยและงานหลังอื่นอีกเช่นโรงพยาบาลก็เพิ่งจะเริ่มลงมือมาทำเลยไม่มีเวลามานั่งพันดวงกระสินจิตก็บุญอยู่กับงานอย่างนี้ ไว้วันที่ท่านทั้งหลายมีโอกาสไปเที่ยววิทยาลัยตอนวิทยาลัยเสร็จแล้วเมื่อไปถึงท่านก็นเดินลงชั้นใต้ดินอีกชั้นหนึ่งในชั้นใต้ดินเนี่ยจะเป็นที่สาธิตหลักปฏิบัติแล้วก็สาธิตไรภูมิพ ร, ร่วงจะมีขุมนรกหลายหลายขุมไม่ให้ดูสัตว์นรกที่ทำบาปแต่ละอย่างแตอยากนั้นไป้ตกนรกขุมไหนบ้าง มีทุกประมาณอย่างไรบ้างซึ่งเราจะถ่ายทอดออกมาในรูปของประติมากรรมและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นที่สาธิตการเจริญสมาธิถ้าหากว่าเป็นอสุภกรรมฐานก็จะมีร่างโครงกระดูกกระดูกคนตายจริงๆถากระสินก็จะมีกระสินแต่ละประเภทเนี่ยเรียงเอาไว้สำหรับให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเผื่อใครจะไปปฏิบัติที่นั่นก็ได้ ระหว่างชั้นใต้ดินจนสงบดีระหว่างนี้เรายังมีที่เรียนอยู่เราก็ยังไม่ใช่เป็นที่เรียนถา้าห้องเรียนไม่พอต่อไปล้วก็จะได้ใช้ห้องใต้ดินเนี่ยเป็นที่เรียนด้วยแล้วก็ในบางครั้งบางคราวก็จะเป็นที่ปฏิบัติทำสมาธิด้วยวันนี้เราศึกษากันในภาพทฤษฎีไปก่อนส่วนวิธีการทำนั้น าหากว่าท่านหลายสนใจอาตมาแนะนําในวันนี้ก็คงจะไปปฏิบัติกันได้ทําเองก็ได้ไม่ยากไม่ต้องลงทุนลงรอนอะไรให้เสียสตางเระหว่างการแสวงหาความสุขในทางใจนี้ไม่ต้องใช้สตางค์เลยไม่เหมือนกับเราแสวงหาความสุขในทางร่างกายเช่นเราจะหาความสุขในทางตาก็าต้องไปหาภาพสวยๆมาดูจะหาความสุขทางหูก็ต้องหา เสียงเพลงที่ไพเราะมาฟังเสียงดนตรีจะหาความสุขทางจมูกก็ต้องหากลิ่นนานาชนิดมาไว้ดมจะหาความสุขทางลิ้นก็ต้องไปหาอาหารที่อร่อยอรับประทานจงลิ้ก็ต้องไปหาด้านอาหารที่อร่อยอร่อยรับประทานจหาความสุขทางกายก็ต้องไปหาตามสาืส่อานที่ต่างๆแต่ความสุขทางใจนี่เราไม่ต้องไปสแสวงหาภายนอกสวงหาภายในเราก็พบแล้วก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองต่างด้วย ทั้งเป็นความสุขที่ถาวรไม่เกิดโทษเหมือนความสุขในทางร่างกายฉะนั้นวิธีที่เราจะสแสวงหาความสุขในทางจิตจึงเป็นวิธีที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองเป็นความสุขที่ไม่จําเป็นต้องเจือด้วยอามิดไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมีลาบมียศมีเสียงสรรเสริญมีความสะดุกสบายต่างๆเราจะอยู่ในสภาพเช่นไรก็าตามถ้าหากว่าเรารู้จักสแสวงหาความสุขทางใจแล้ว เราก็มีความสุขเดื้องตทุกคนและแต่ทุกคนก็มีสิทธิที่จะมีความสุขในทางจิตใจอย่างนี้ซึ่งความสุขนี้จะมีมากน้อยเพียงใดนั้นก็อยู่ที่แต่ละท่านจะได้ฝึกฝนและปฏิบัติกันวิธีที่เราจะปฏิบัติในเบื้องแรกนี้ท่านได้วางหลักปฏิบัติไว้หมวดที่หนึ่งคือเรื่องของกระสินสิ ที่วางหมวดนี้ไว้หมวดที่หนึ่งก็เพราะว่ากสินเนี่ยสามารถที่จะทำสมาธิของผู้ปฏิบัติให้ถึงอัปปนาสมาธิได้หรือถึงปัญจมาฌานได้ตลอดจนการที่จะแสดงอภินยาต่างๆจะเป็นการถ อ, อกไปในอากาศดำบินหายตัวได้มีตาทิพมีหูทิพเหล่านี้ก็ต้องสำเร็จด้วยกสิน ซึ่งวิชาการอันนี้นักศึกษาสมัยใหม่อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่คล้ายกับนิยายประลัมปราอะไรเหล่านั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็โปรโดได้เข้าใจด้วยว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่นิยายประลัมปราแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทําได้แต่ว่าเราจะทําถึงหรือไม่ที่นั้นเองถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามหลักวิชาการที่ท่านได้วางไว้แล้ว เราจะเหาะเร็วกว่าจรวดไปได้เร็วกว่าจรวดอีกแล้วก็จะไปถึงโลกพระจันทร์ก่อน Apollo 12ถ้าหากว่าสำเร็จในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ชั่วรับนิ้วมือเดียวจะถึงดวงจันทร์ถ้าหากว่าเราเหอไดเออ้เรื่องการหาะได้หรือหายตัวได้จากที่นี่เช่นหายจากที่นี่ไปปรากฏที่อื่นเป็นเรื่องที่สำเร็จได้ด้วยกสิณ ต้องเจริญกระสินทั้งนั้นจึงจะสาเร็จได้ไม่ใช่ว่าเมื่อนั่งหลับตาแล้วเราก็จะเก่งด้วสารพัคอย่างทำไอ้นอนกระได้ทำไอ้นี่ก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่จะนั่งดูอะไรใต้ดินจะนั่งดูนรกดูสวรรค์เราก็ต้องใช้กระสินทั้งสิน้นถ้าหาวกว่าคู้นั้นไม่เคยสุดผลกระสินมาก่อนการปฏิบัติเช่นนั้นก็เป็นเพชรเป็นเพชร ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นจริงเป็นการด้นเดาเอาหลักวิชาการต้องสําเร็จกสินและจากวิธีทํากสินเพื่อให้สําเร็จทิฏฐจักขุยานก็ดีทิฏฐโสสดก็ดีหรือพระจิตตวิชานาอภิญญาปุกเพนิวาสานุสติยานคือยานที่ระลึกถึงชาติในอดีตได้วะชาติตอนเราเคยเกิดเป็นอะไรนึกย้อนถอย ห, หลังไปแค่หนึ่งชาติถึงสิชาติถึงร้อยชาติถึงพันชาติได้กด็ดีต้องสําเร็จได้ด้วยกสินทั้นั้น แม้อนาคตังสยานก็ต้องอาศัยกระสินถ้าไม่มีกระสินสิบแล้วกิจที่ต่างๆเช่นนี้หรืออคินญาเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้กระสินจึงต้องวางไว้เป็นบทแรกของการปฏิบัติและก็ง่ายต่อการปฏิบัติสําหรับผู้ที่สนใจด้วยวิธีที่เราจะเจริญกระสินกระสินนี่มีอยู่สิบเรียกว่ากสินสิบมีอยู่สิบประเทด้วยกัน หนึ่งปัทวีกสินสองอาโปกสินสามเตโชกสินสี่วายโยกสินห้านีลกสินหกปีสากสินเจ็ดอาโทาสกสินแปดอากาสากสินเก้าาโลฮิตากสินเก้าอากาสากสินสิบอาโลกกสิน มีทั้งหมดอยู่สิบประเภทด้วยกันในกระสินสิบประเภทนี้วันนี้จะพูดถึงปัทวีกรสินก่อนคาว่าปัทวีกระสินนี่คือการแพ่งดินเป็นอารมณ์แพ่งดินเป็นอารมณ์นะเอาดินมาเป็นดวงกสินแผ่นดินที่เราเคยเหยียบย่ํากันอยู่ทุกๆวันเนี่ยเอามาทําเป็นดวงกสินเราจะเห็นคุณค่าของแผ่นดินว่า จะช่วยให้เราพ้นทุกได้อย่างไรก็ต่อเมื่อเรามาเจริญปทวีกสินเราจึงจะเห็นคุณค่าของแผ่นดินว่าแผ่นดินนี้นอกจากจะเป็นที่อาศัยของหมู่สัตว์หรือมนุษย์ทุกรูปทุกนามที่จะต้องอาศัยชีวิตเนี่ยเป็นอยู่ด้วยแผ่นดินแล้วแผ่นดินนี้ถ้าเรารู้จักนํามาใชาย้ยังเป็นปัจจัยช่วยยกระดับกิจของเราให้สูงที่สามารถจะพ้นจากการท่วมทับของกิเลส หรือทำตนให้พ้นไปจากทุกขทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วยถ้าหากว่าเรารู้จักใช้เนี่ยเหมือนกับลมหายใจที่เราหายใจออกหายใจเข้าซึ่งแต่ละท่านอาจจะหายใจกันมาคนละหลายหลายสิปีแลว้วก็ได้แต่ลมหายใจที่เราเคยหายใจกันอยู่ทุกๆวันนี้เราอาจจะไม่ทราบเลยว่าลมหายใจเนี่ยจะช่วยเราได้อย่างไรเรารู้แต่เพียงว่าถ้าตราบใดลมหายใจยังมีอยู่ตราบนั้นเรายังไม่ตาย เราหวังพึ่งลมหายใจแต่เพียงว่าขอให้มีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่เราหาได้พึ่งลมหายใจนี้เพื่อที่จะยกจิตให้สูงถึงสมาธิถึงปัญญาหรือยกจิตให้สูงไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ไหมเพราะฉะนั้นถึงเราจะหายใจกันคนละหลายหลายสิปีก็าตามเราก็คงหายใจกันไม่เป็นอยู่นั่นเองคือหายใจทิ้งหายใจกว้างโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรลมที่ไหลเข้าไหลออกในรูจมูกแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ แผ่นดินก็เหมือนกันแผ่นดินที่เราจะใช้ให้เป็นประโยชน์นั้นก็คือจะต้องรู้จักนําแผ่นดินเนี้มาใช้ไม่ใช่ใช้ในทางเกษตรอย่างเดียวแต่ว่าเราจะต้องใช้แผ่นดินในด้านการสร้างสมาธิให้แก่จิตพระพุทธองค์ได้ตรัสทั้งเรื่องปฐวีกสินน้ไว้ว่ากลุ่มบุตรผู้ที่มีจิตศรัทธาในการที่จะยกตนให้พ้นจากวัตฏสงสาร หรือผู้ใดก็ตามที่เห็นภัยในความเวียนว่ายตายเกิดมุ่งที่จะสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องไปหาดินเนี่ยมาทําเป็นดวงกสินทีนี้ดินที่เราจะมาทําเป็นกสินนี่ท่านจํากัดดินประเภทที่มีสีลคล้ายกับสีอรุณเราเรียกดินชนิดเดียวดินสีอรุณสีอรุณเนี่ยคือสีทองฟ้าตอนใกล้รุ่งตอนใกล้จะสว่างเราเรียกว่าอารุณขึ้นแล้วคําว่าอารุณขึ้นเนี่ย ตอนเช้าๆท่านทั้งหลายลองมองไปที่ขอบฟ้าเราจะเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยเริ่มที่จะแดงเลือดขึ้นมาในน้อยเพราะว่าดวงอาทิตย์ใกล้จะโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้วสีดินที่เป็นสีอรุณนี้ไม่ใช่ดินแดงแต่ว่าเป็นดินสีเหลืองเหลืองจัดไม่ถึงกับแดงดินประเทศนี้ต้องเป็นดินดินเหนียวสักหน่อยหนึ่งเพราะว่า การทำดวงกระสินนี่จาเป็นต้องอาศัยดินเหนียวทรายไม่ได้เพราะทรายนี้การเกาะภูมิมีน้อยก็ทำให้เป็นดวงกระสินไม่ได้เมื่อเราไปหาดินชนิดนี้มาได้แล้ววิธีที่จะทำเป็นกระสินนั้นก็คือเอาดินเนี่ยมานวดมนวดกับน้าให้เป็นดินเหนียวพอเป็นดินเหนียวเสร็จแล้วก็ปั้นให้กลมแล้วก็กดให้แบนให้มีสันฐานเป็นวงกลม ซึ่งความหนาของดวงกระสินเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วก็พอหนาประมาณหนึ่งนิ้วส่วนหน้ากว้างของกระสินนี้ท่านให้เอาคืบของเราเนี่ยวัดหนึ่งคืบกับสี่นิ้วนี่มาตรราส่วนสมัยโบราณทัานใช่หนึ่งคืบกับสี่นิ้วคำว่าหนึ่งคืบกับสี่นิ้วเนี่ยจะประมาณกี่เซนก็ไม่ทราบว่เห็นท่าจะประมาณเกือบฟุตหนึ่ง ประมาณสิบนิ้วหรืออะไรเนี่ยผ่าศูนย์กลางน่าประมาณหนึ่งครึบกับสี่นิ้ววิธีทําดวงกรสินนั้นเมื่อเราทําเป็นสถานวงกลมใหญ่แล้วให้เอาเกลียงเกลียงเนี่ยขัดผิวให้สะอาดผิวนี่หมายถึงผิวของกระสินเนี่ยต้องใช้เกลียงคิดว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจเกลียงที่ช่างปูนสําหรับใช้โบกปูน่มันเกลียงเหล็กสําหรับโบกปูนก่ออิฐก่อผนังพวกนี้ เอามาขัดทั้งนี้เพราะว่าเพื่อไม่ให้หน้ากระสินเนี่ยเป็นริ้วรอยแม้แต่รอยนิ้วมือก็ไม่ให้มีถ้ามีรอยนิ้วมือก็เกิดกระสินโทษปฏิบัติไม่ได้สมาธิจะไม่เกิดต้องให้เรียบไม่มีริ้วรอยแม้แต่น้อยเศษผงเศษญ้าอะไรก็ไม่ให้ติดอยู่ที่หน้าดวงกระสินนี้ขัดให้เป็นมันให้เรียบเป็นวงกลมกว้างหนึ่งคืบกับสี่นิ้วเมื่อเราทําความสะอาดให้ดวงกระสินเนี่ยสําเร็จแล้ว เราก็ใช้ดวงกระสีนีน่แหละมาเป็นอารมณ์สําหรับแข้งทีนี้การทําดวงกระสีโดยการเอาดินเหนียวมาปั้นเนี่ยดินนี้อาจจะแตกถ้าหากว่าปล่อยให้แห้งจําเป็นต้องให้ชื้นอยู่ทีนี้การชื้นอยู่ก็ต้องใช้ผ้าที่เปียกๆคลุมเอาไว้ถ้าหากว่าแห้งดินก็จะแตกระแหงเมื่อแตกระแหงแล้นปฏิบัติไม่ได้เป็นกระสีโทษมีริ้วรอยเกิดขึ้นก็ไม่ได้ต้องให้เปียกอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าไม่ใช่หมายถึงเปียกจนชุ่มเพื่อป้องกันให้ดินเนี่ยแตกกร้าวหรือดินที่ที่ช่างปั้นกระเอามาปั้นกระเนี่กใช้ได้ดินเหนียวหรือมิฉะนั้นก็เป็นดินน้ํามันถ้าเราหาดินประเภทนี้ไม่ได้ก็ใช้ดินน้ํามันที่เอามาปั้นการฝีมือเด็กๆนัเกเรียนปั้นการฝีมือเนี่ยก็ใช้ได้เอามาปั้นแล้วก็เอาเกลียงขัดให้เรียบอย่าให้มีริ้วรอยรอยผ้ารอยมืออย่าให้มีติดอยู่ที่หน้าดวงกระสี เมื่อเราทําดวงกระสินอันนี้สําเร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือวิธีที่จะไปปฏิบัติว่าจะไปเพ่งกันยังไงท่านมีวิธีปฏิบัตินะว่าเราจะวางดวงกสินอย่างไรวางไว้ที่ตรงไหนเราจะนั่งใกล้นั่งห่างจากดวงกระสินเนี่ยแค่ไหนท่านวางไว้หมดตลอดจนวิธีที่จะไปเพ่งที่จะบริกรรมท่านก็สอนไว้ ทีนี้ปัทวีกสินเนี่ยท่านจําแนกไว้เป็นสองประเภทด้วยกันคือปัทวีกสินเป็นประเภทสังหาริมะสังหาริมะเนี่ยท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินว่าคําว่าสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์สังหาริมะกนี่กสินที่เป็นสังหาริมะกนี่หมายถึงว่ากสินที่เคลื่อนที่ได้เหมือนคําว่าสังหาริมาทรก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ยัดที่ได้ สังหาริมทรัพย์คืทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้กระสินนี้ก็มีสังหาริมะสังหาริมเนี่ยแปลว่ากระสินที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้เนี่ยหมายความว่าถ้าเราไม่พอใจจะปฏิบัติที่ตรงนี้เราก็ยกกระสินไปปฏิบัติที่อื่นได้เนี่ยเป็นกระสินที่เคลื่อนย้ายได้ในลักษณะดังกล่าวแต่ว่าปัทวีกสินอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเคลื่อนย้ายไม่ได้ปัทวีกสินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้นี้ ความจริงก็ไม่ถึงกับจะต้องย้ายไม่ได้เหมือนแผ่นดินแต่ว่าย้ายลำบากสักหน่อยหนึ่งเราพอจะย้ายได้หรอกแต่ว่าลาบากเรียกว่าปัดรัฐกาปัดรัฐกะกเนี่ยคือวิธีทาดวงกสินด้วยการเอาภาชนะเขาเรียกในทางในทางโลกไม่เรียกว่าอะไรไม่ทราบแต่กระมาเคยเห็นที่ชาวนาเอาไสไปดักปลา ที่ช่องน้ําไหลจะมี ค, คล้ายๆกับตะกร้าเนี่ยก็เป็นวงกลมหงายขึ้นแล้วก็มีหินวางไว้ถ่วงให้หนะักอยู่อันหนึง่งกระศินประเภทนี้เราเราใช้วิธีเอาไม้ปักลงแล้วก็ทําผาชนะเนี่ยหงายขึ้นเอาดินใส่บนผาชนะแล้วก็ขัดหน้าให้เสียบแล้วก็ปักเป็นหลักเอาไว้กระศิลประเภทนี้เรียกว่าตักลับสกะ แต่ว่าวิธีนี้เราไม่จำเป็นจะต้องทำก็ได้เพราะว่าต้องหาอุปกรณ์มากอยู่สู้เป็นสังหาริม ก, กสินไม่ได้เป็นเพียงดินก้อนหนึ่งเนี่ยก็เป็นกสินแล้วแลแ้วดินก้อนนี้แหละที่เราจะไปทำสมาธิจะฝึกจิตให้ถึงฌานอภิญญาก็โดยดินก้อนนี้ไม่ต้องมากเลยเพียงหนึ่งครึกับสี่นิ้วเท่านั้นพอทำดวกสินนี้เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือสถานที่สถานที่นี่นับว่าสาคัญมากถ้าเราไปปฏิบัติสถานที่ที่ไม่ดีที่ไม่เหมาะการเจริญสมาธิก็จะไม่เกิดผลเหมือนกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะไม่ควรก็จะไม่ได้ผลทางด้านสมาธิจิต ไม่ได้ผลทางด้านปัญญาเรื่องที่อยู่นี่เป็นเรื่องสาคัญมากท่านเรียกที่อยู่ที่ไม่ควรอยู่ น, นี่ว่าอนันุรูปวิหารคือวิหารที่ไม่ควรอยู่แต่ว่าวิหารที่ควรอยู่คืออนุร e ูปวิหารอนุรูปวิหารเนี่ยคือวิหารที่ประกอบด้วยองค์ห้าหมายถึงสถานที่ที่ประกอบด้วยองค์ห้าว่าเป็นสถานที่ที่ควรอยู่ สถานที่ที่ควรอยู่นี้ท่านมุ่งเฉพาะพระสงค์เป็นส่วนใหญ่พระพุทธองค์กรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเสนาสนะในโลกนี้ไม่ใกล้นักไม่ไกลนั ก, ม, ก, นกมีทางไปมาสะดวกเนี่ยขั้นที่หนึ่งหมายความว่าสถานที่ที่เราจะไปปฏิบัติเนี่ยไม่ใกล้นักไม่ไกลนักทั้งสถานที่นี้จะต้องมีทางไปมาสะดวกคือทางคมนาคมสะดวก ทางไม่สะดวกก็ไม่ควรที่จะไปปฏิบัติประการที่สองกลางวันไม่จุ่นจ้านกลางคืนก็เงียบเชียบหมายว่ากลางวันเนี่ยไม่มีผู้คนมาพลุกพล่านกลางคืนก็เงียบสงัด น, นี่องค์ของอนุรูปวิหารข้อที่สองอนุรูปวิหารข้อที่สามคือมีสัมผัสเกิดแต่เรือบยุงลมแดดสัตวเรื้อยครานเบาบาง หมายถึงว่าสถานที่นั้น เ, เราไม่ถูกรบกวนด้วยเหลือบด้วยยุงด้วยลมแดดหรือสั่งเลื้อยคานต่างๆถ้าอย่างในกรุงเทพนี่ยุงชุมมากยุงชุมนี่ไปนั่งกรรมาฐานไม่ได้นั่งทําสมาธิไม่ได้เพราะเดี๋ยวยุงกัดเราก็ต้องเลือกสถานที่ที่ไม่มีเหลือบยุงต่างๆหรือมิฉะนั้นก็ต้องหาทางป้องกันไว้ว่าเราจะนั่งในห้องที่มีมุ้งรั้ว หรือมีมุ้งหลังใหญ่ๆกลางเอาไว้มิชิดไม่ให้ยุงเนี่ยเข้าไปกวนเราระหว่างที่เราทำสมาธิก็ใช้ได้ก็จัดอยู่ในประเภทอนุรูปวิหารข้อที่สามข้อที่สี่เมื่อพิกสุได้ปฏิบัติอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นแล้วจีวรบินทบาทยารักษาโรคย่อมบังเกิดขึ้นโดยไม่ฝืดเคืองเลย หมายความสถานที่เราเนี่ยไม่ฝืดเครืองด้วยปัจจัยสี่ยารักษาโรคก็มีกีวรเครื่องลุงผมก็มีตลอดจนอาหารการขบฉันก็ไม่แรนแคนมีพอที่จะเลี้ยงชีวิตได้สถานที่นั้นก็ควรที่จะปฏิบัติประการที่ห้านี้สำคัญมากคือสถานที่นั้นจะต้องมีพระเถระที่เป็นเท้หูสูตร พระเถระที่เป็นผู้สูตรเนี่ยหมายถึงว่าพระเถระรูปนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความทรงจํามากคําว่าผู้หูสูตรในที่เนี้หมายถึงเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัวมากมีประสบการณ์มากอยู่ไม่ใช่เป็นคนหูแคบตาสั้นจะต้องเป็นคนหูกว้างตายาวคือจะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนี่ยอย่างหลายๆเรื่องเพราะถ้าหากว่า พระเถระไม่เป็นพระผู้สูตรแล้วคือไม่เป็นผู้คงแก่เรียนมีการสดับสรับฟังน้อยมีการได้เห็นน้อยหรือมีประสบการณ์ในเรื่องราวต่างๆน้อยก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของผู้ปฏิบัติได้เพราะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยมีปัญหาร้อยแปดอย่างบางทีก็เป็นปัญหาเรื่องจิตใจผู้ที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือพระเถระที่จะเป็นที่พึ่งของผู้ปฏิบัติได้เนี่ย นอกจากจะเป็นผู้ที่แนะแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อที่จะนำจิตนี้ไปสู่สมาธิปัญญาแล้วยังจะต้องเป็นผู้ที่คอยขจัดปัญหาต่างๆแก้ไขอุปสรรคข้อติดขัดต่างๆให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ด้วยเพราะผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นครหอขันเป็นครวาสมีปัญหาทางจิตใจปัญหาทางครอบครัวปัญหาทางการงานรอบด้านหลายอย่าง ผู้ที่แนะนวจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้จริงๆนอกจากทางธรรมะแล้วจะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปในสังคมมนุษย์หรือทางโลกเนี่ยพอสมควรจึงจะสามารถแก้ไขหรือเป็นที่พึ่งในทางจิตใจของบรรดาผู้ที่ไปปฏิบัติได้เนี่ยที่นั้นต้องมีพระเถระที่เป็นพระหูสูตรอย่างนี้ถ้าหากพระเถระไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยเนี่ยก็เป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้ เพราะว่าถ้าเราไม่ไปปฏิบัติแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นมาจุกจิกเนี่ยมีอะไรบ้างจะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นเพราะผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกับคนไข้ซึ่งจะต้องมีโรคหลายๆโรคมาให้หมอแก้มาให้บําบัดถ้าหากว่าพระเทรเรนี่ท่านไม่ไม่ได้เป็นเทหุสูตรไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็จะแก้ไขลําบาก เนี่ยเรียกว่าต้องสแสวงหาอนุรูปวิหารที่ครบองค์ทั้งห้าองค์นี้เมื่อเราสแสวงหาได้พร้อมแล้วขั้นต่อไปตัดปริโคตแบบหยุม่มหยิมครั้งที่แล้วได้อธิบายถึงปริพโคตใหญ่ๆที่เป็นมหาปริพโคตทีนี้ปริโคต ท, ที่เป็นยุม่มหยิมเนี่ยคือปริโคตชนิดไหนถ้าหากว่าเป็นพระสงฆ์ท่านบอกว่าจีวรสบงอะไรต่างๆเนี่ยต้องซักให้เรียบร้อยให้สะอาด หนวดเคราจะต้องโกนให้เกลี้ยงเคราผมจะต้องโกนเล็บจะต้องตัดเสื้อมาให้เล็บยาวเทาพระไว้เล็บไม่ได้ผมยาวก็ไม่ได้ไว้หนวดไว้เคราก็ไม่ได้จีวรเหม็นสาบก็ไม่ได้ต้องสัดให้เรียบร้อยให้สะอาดเนี่ ย, รยปริพอดยุ่มหยิมถ้าเป็นคาราวาถ้าเป็นโยมผู้ชายก็ต้องตัดผมให้เรียบร้อยหนวดเคราก็ต้องโกนให้เรียบร้อยเสื้อผ้าต้องพร้อม ทำความสะอาดเอาไว้ว่าเราทําความสะอาดมันจะใช้ได้สักหนึ่งเดือนไหมถับเปลี่ยนกันจะถึงสิบห้าวันหรือว่าหนึ่งเดือนเนี่ยก็เตรียมไว้ให้พร้อมถ้าโยมผู้หญิงก็ต้องเตรียมให้พร้อมตอนนั่งกรรมาฐานี่จะไปใส่แฮทชีสจะไปแต่งอย่างโน้นอย่างนี้ทาเล็บเขียนคิ้วทาปากไม่ได้ทั้งนั้นแม้แต่เครื่องสําอางอะไรก็ท่านบอกให้ตัดหมดตัดปริพเทศกังวล ถ้าผมยาวก็ต้องตัดให้สั้นหรือมิฉะนั้นก็ต้องผูกเพลคเรียบร้อยไยก่อนบอกเนี่ยเป็นปริพ้วประเภทยุมย่มหญิมปริโพ้วยุงหญิมนี่สําคัญมากเพราะว่าเป็นอุปสรรคต่อการทําสมาธิ <c oughs> เมื่อตัดปริโพ้วยุงหญิมได้แล้วเราก็ไปสู่สถานที่เช่นนั้นนําดวงกสินเนี่ยไปสู่สถานที่เช่นนั้น <c oughs> ทีถ้าหากว่าเราทําปฐวีกระสินท่านแนะว่าควรจะไปหาที่วางดวงกรสินเนี่ยเป็นฝัง่งหรือเป็นม้าเตียเต้ยสูงขนาดว่าเรานั่งแล้วทอดสายตาสายตาของเราที่ทอดลงไปข้างหน้าเนี่ยก็คือไม่ต้องนั่งเงยหน้าหรือก้มหน้าเพ่งดวงกรสินให้อยู่ในระยะที่ทอดสายตา เห็นดวงกระสินได้ชัดเจนระยะนี้ก็คือสองสอบกับหนึ่งคืบห่างจากดวงกระสินสองสอกกับหนึ่งคืบดวงกระสินตั้งให้สูงพอประมาณกับระยะสายตาที่จะทอดลงโดยเรามองดวงกระสินเนี่ยกระสินวางแบนแต่ว่าเมวางลงไปแล้วจะต้องเห็นดวงกระสินรอบหมดเมื่อเราได้รู้ระยะเช่นนี้แล้วขั้นต่อไปก็คือวิธีนั่งวิธีนั่งนี้ ถ้าเรานั่งบนพื้นกระดานแข็งๆเนี่ยก็ทำให้นั่งได้ไม่ทนควรจะมีอาสนะปูนั่งอาสนะปูนั่งที่ที่หนาพอสมควรปูแล้วเราก็นั่งบนอาสนะวิธีนั่งก็คือนั่งเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ตั้งกายให้ตรง ที่ต้องการตั้งกายให้ตรงเนี่ยเพราะว่าเพื่อเพื่อความเพื่อความสุขสบายของผู้ที่ปฏิบัติเวลานั่งปฏิบัติแล้วไม่เกิดทุกขเวทนาคือไม่ปวดเมื่อยเพะโดยปกติแล้วกระดูกสันหลังคนเราเนี่ยวางซ้อนกันเป็นข้อข้อถ้าเรานั่งตัวงอเราจะนั่งได้ไม่ทนจะรู้สึกปวดเมื่อยเพราะว่ากระดูกสันหลังที่วางซ้อนกันไม่เสมอกัน เรานั่งตัวตรงเราจะนั่งได้นานเพราะกระดูกสันหลังก็วางตรงและการนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนี่ก็ต้องนั่งให้พอสบายอย่าให้ขัดกันมากเพราะจะทำให้เลือดลมเนี่ยเดินไม่สะดวกแล้วเกิดความเจ็บปวดขึ้นทำให้นั่งไม่ทนอีกต้องนั่งอิริยาบถ ท, ที่สบายเมื่อเรารู้วิธีนั่งอย่างนี้แล้วพอนั่ง เอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงอยู่ที่หน้าดวงกระสินให้เราอธิษฐานก่อนการอธิษฐานจิตก่อนปฏิบัติเนี่ยสําคัญแล้วก็วิธีที่เราจะอธิษฐานจิตก่อนปฏิบัตินี้ท่านแนะไว้ว่าผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยจะต้องจะต้องเป็นผู้เห็นภทยในวัตฏ ส, สงสารจริงๆ สร้างความรู้สึกว่าดวงกสินที่วางอยู่เบื้องหน้าของเรานี้เท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้หรือที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยบรรลุถึงสมาธิถึงอภิน ญ, ญาได้หรือเราจะข้ามพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายก็อาศัยดวงกสินนี้สร้างความรู้สึกว่ากรสินที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยสำคัญเหลือเกินไม่ใช่เป็นดินที่ไม่มีค่าที่เราเหยียบย่ำกันอยู่ทั่วไป แต่ว่าเป็นดินที่มีค่ามากเป็นดวงกระสินที่จะยกยกตนให้พ้นจากวัฏฏะทุกข์ต่างๆได้แล้วเราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์เพื่อสร้างความสงบให้แก่จิตเสียก่อนเมื่อเรานึกเช่นนี้แล้วให้เราเนี่ยสร้างความสังเวชสลดใจ